ที่เส้นมา มีคมสึกอยากจะกลับไหมมีควมสึกมีตำราไหมมาทำอะไรมนะีไหมหนึ่งเก้าแปดสองมีไหมีมหม่ม้มสึกอยากจะกลับไหย ที um> ่จะรู Works ้ตัวที่จะโน้ที่จะเห็นอย่างหลังละถ้าเป็นไงมันลงเป็นนานไหม เป็นอัตโนมัติอันนี้คือนี่คือคือดีคืออะไรเราจะเห็นว่าความหลงเนปะ็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากแต่แต่ละวันมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากขนาดเราพยายามที่จะรู้ตัวเปบ่อยนะมันก็ยังหลมได้บ่อยแต่พอเราสังเกตไหมตอนชีวิตประจําวันถ้าเราไม่เศษคุณมาก่อน ที่จริงมันก็หลงเป็นอโนมัติอยู่แล้วแต่เราจะไม่ค่อยรู้ตัวแล้วเราก็ไม่ค่อยกลับมาเราก็จะปล่อยใจปล่อยตัวไปกับความหลงไปเลยเราก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันหลงไม่มันจะหลงไม่บ่อยแต่มันรู้สึกว่ามันหลงนานนานๆทีถึงจะรู้ตัวสักทีแต่พราะเรามีสติเราไม่ปล่อยให้ความหลงมันยาวมันนานเรากลับมาแต่มันก็ไปอีกแกลับมา ไปแล้วแล้วความรู้สึกแบบนั้นเป็นยังไงบ้างเวลาไ่กลับมาแล้วไปอยู่แล้วกลับมาแล้วไปอยู่แล้วเป็นไงเหนื่อยพอหมยังไม่พอยังไม่พอกรดี่หน้าหน้าตาต้อไม่พอไม่ได้เยเดย บางทีบางคนพอปฏิบัตินานๆเนี่ยไม่เห็นไัวเองก้าวหน้าไปท่ไปไหนก็ทีแต่จริงๆอยากจะบอกนะครับคนเก่าๆเราก็ไม่ปฏิบัติเพื่อจะไปไหนนะปฏิบัติเมันเดิมแหละคือหลงพุกลับมาหลงทุกลับมามันก็เหมือนเราก็แค่ทำสิ่งที่เราทำให้ดีสุดในแต่จะวันมันก็จบนะไม่ได้ว่า ปฏิบัตเพื่อจะเอาเพื่อจะได้เพื่อจะถึงอะไรก็มนก็รู้สึกว่าแค่กลับมารู้สึกตัวมันก็พอไม่มีอะไรมากกว่านั้นหลงไปต้องแค่กลับมารู้ตัวมันก็จบถ้าเรารู้สึกว่าจบแล้วก็พอง่ายๆมันก็เหมือนมันก็ส่งตูนอยู่ในตัวของมันเองนะจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเราอยากว่าเราตั้งก็ ปจุบัติเพื่อเราอยากจะเป็นข้าโสดามันอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่มันรู้สึกเราอยู่อีกไกลมีอีกนุ่อยู่ตรงไหนก็นเนี่ยอีกไกลท่านเดินทางอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นักบางทีเหมือนกับเราเราขับรถนะหรือเราเดินแล้วเราใจเราไปคิดถึงว่าไอ้เมื่อไหรเราจะถึงบ้านเมื่อไรเราจะถึงจุดหมายเนี่ยมันจะรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเรา มีความสุขในการขับรถมีความสุขในการเดินสัมผัสกับสิ่งที่เราทํขขาีเพื่อนหณะจิตมันจะรู้สึว่ามันมันไม่พลุกแล้วนั่นคือที่จริงภาวนาที่จริ ง, รงคือตัง น, นีนไไไน้ไม่ใช่เพื่อไปไหนไม่ใช่เพื่อหนีอะไรแต่เพียงแค่ว่าให้รู้ในสิ่งที่เรากํลาลังทำมันก็มันก็ จะสัมผัสได้จากความที่เรียกว่าความไม่ทุกข์นะควา ม, มทุกข์มันก็อยู่ทุกย่างก้าวที่เราเดินก็อยู่อยู่กับความเคลื่อนไหวอยู่กับความหยุด น, นิ่งอยู่กับลมหายใจมันอยู่กับเราอยู่แล้วที่เราไม่ไปตามหาอะไรเล ย, เลยเประเดียแค่กลับมาเห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นการค้นหา สิ่งที่มันไม่มีนะธรรมะไม่ใช่ไปการหาสิ่งที่มันไม่มีแต่มันมาเห็นสิ่งที่มันมีแล้วมันจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันมีนี่ยคือสิ่งที่เราแค่ลืมไปมันมันมันมีอยู่นะเพียงแต่เราลืมลืมก็เลยไปหานอกตัวลืมก็เลยไปคิดว่ามันต้องอยู่ที่นั่นที่นี่แต่จริง หายใจมันก็ยิ้มได้นะมันก็มีความสงบมีความสุขในตัวเดินมันก็สัมัดกับความรู้ลูกตัวเป็นปกติอื่นเดี๋ยวใครจะถามก็เชิญนะถ้ามัน นันงไม่แน่ใจนั่งสนจริงก็ก็ถามได้แต่ถ้ามันเอาไว้ดูก็ได้หรืออยากจะถามเพื่อให้เป็นแนวทางไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวนะ จริงเรามีสตินะเรารู้เราตื่รู้ตัวว่าผิดนะฮะเหมืเราทำอะไรใหม่ใหม่มืนก็มันก็อาจจะจำไม่ค่อยได้บ้างผิดไปบ้างนะเนี่ยที่เรารู้ว่าเรายกผิดพลาดนั่ก็คือการมีสติแต่ก็คนยกถูก <c oughs> ก็อาจจะไม่แช่ว่ามีสติก็ได้นะ <c oughs> จริงๆนะมันอันนี้มันเป็นแค่เรื่องเรื่องอะไรอ่ะ เป็นเป็นเรื่องความจําที่จริงว่าไปจริงการยกมูอถูกหริดมันเป็นเรื่องแค่สัญญาาำจำําจําผ้าจํารูปแบบได้ซึ่งจริงไม่ได้ไม่ได้สําคัญมากแต่มันสําคัญตอนที่เรารู้ว่าเราผิดเนี่ยเป็นการเตือนให้ตัดสินูจแล้วว่ามันผิดนั่นคือหรือเราอาจยกถูกแล้วก็เรารู้ตัวว่าไอ้การยกเนี่ยเราลืมตัว จิตมันเผลอไปคิดดูว่าจิตมันเผลอคิดท่านะถูกแต่ใจยังออกไปอันนี้นนคือใจมันติดอยู่นะหรือบางทีรูปแบบจะช่วยเช่นเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรก็ย่างเลยบางทีจิตมันไม่มีเครื่องอยู่มันก็จะไปใช้ๆเดี๋ยวก็ไปคิดอดีติดอนาคตหรือไปดูหาดูดูนั่นดูนี่คังนั้นตอนนี้เราว่า การดูก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะเช่นเราสนใจดูอะไรสักอย่างเหมือนเราดูละคร่คนนะเหมือนเรามีสมาธิอยู่กับปัจจุบันนะดูละครดูอะไรก็แล้วแต่แต่จริงจิตกับไม่ได้อยู่ตัวเองนะจิตเราไปอยู่กับรกเรื่องเรื่องราวที่เขาแสดงอะไรก็แล้วแต่สิ่งการหลงไปอยู่ในปัจจุบันก็ดีหรือห ล, ลงไปคิดอดีตคิดอนาคตนี่คือสิ่งที่เรียกว่าขาดปกติแต่ การเคลื่อนไหวก็คือเหมือเป็นการปลุกให้เรารู้นะว่าจะเน้ยตายอยู่ตรงนี้อื ừ, ใจอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นคําถามเป็นให้เราทําบ ม, มารู้ตัวพอใจเผลอออกไปเองอยที่โยเมื่อกี้บลบมันมันหลบไปเองอัตโนมัติมันเผลอไปคิดเองอัตรนั้นอนะ่ะพอเรามีสติมันก็จะเข้ามันก็จะกลับมานี่คือรูปแบบ มันเป็นสิ่งแค่อุบายในการปลูกสติแต่ไม่ใช่ว่าท่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะจริงท่าตอนนี้เป็นเหมือนแค่เหมือนไหนมาบ้าที่จริงคล้ายๆเหมือนเหมือนเราออกกําลังกายอยู่ออกกําลังกายนี่มีหลายรูปแบบมากอาลีตเอือเป็นแอตลีตโยคะไทเคสลัมตะบองแต่จุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือให้ร่างกาย มันแข็งแรงอันนี้คือบอกว่าลากายเพื่อกายมันก็ได้รับกายที่แข็งแรงจะท่าไหนก็ได้ไม่ได้สำคัญรูปแบบการภาวนาก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันแต่จริงฝึกเพื่ออะไรฝึกให้จิตมันระลึกรู้อะไรก็ยางรูปแบบนี้ก็ได้ทําแค่นี้ก็ได้แต่เพื่อฝึกให้จิตมันจาได้ว่า เม no tamam. ื่เกิดการเคลื่อนไหวเกิดการกระทบให้รู้ตัวนะต่อไปโยนเพื่อนอีมันจะรู้แบบนั้นได้นะจะทําอะไรซักผ้าคือการเคลื่อนไหวคือการเคลื่อนไหวขันหัวมันก็ไม่ใช่แค่แค่ใบเท้าฟังขันนะแต่เราจะทําแบบข้อนั่นจะรู้สึกไปด้วย เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าการภาวนามันทําได้ทุกโอาสนะ่เราต้อเรียกว่าเข้าใจทานครับไม่ใช่ภาวนาคือเราต้องต้องนั่งทํำในรูปแบบแท่านั้นหรือเดินจนกรมต่อไปต่อมา้แต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าการภาวนาคือทุกข้าวเที่เดินในห้องน้ําคือการปฏิบัติธรรมทุกขณะที่เราตักอาหารเราเคี้ยวข้าวคือการปฏิบัติธรรม หรือขณะที่เราคุยสดเพื่อยเราดูข่าวเราสังเกตเห็นตัวเรากราด้างนั่งหรือสอยันจิ้บขยับพิพูดคุยหรือเห็นว่าใจเรารู้สึกอย่างไรใจมีความชอบมีความไม่ชอบหุมมบนหิตอะไรนะั้นรู้สึกตัวเองคือการปฏิบัติธรรมนั้นจริงๆเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือทุกสิ่งอย่างในชนีวิตของเรามันจะไม่ติดแค่รูปแบบอะ่ะ แต่ก็ไม่ทิ้งรูปแบบนะว่างเมื่อ <c oughs> ไรก็ทำว่างเมื่อไหรก็ทำาะแต่เป็นความดยนจะิง กิจวัตรที่เราต้องทําทุกวันนะโยมเปี่ยนแต่ว่าใส่ใจในการทําให้มากขึ้นนะเช่นเรากินข้าวก็ใส่ใจในการในการตักในการเคลียร์ในการคืนคือใส่ใจมากขึ้นไม่ใช่แบบตักแต่ว่ากินให้มันอิ่มอิ่ให้มันเสร็จมเต็มนะเดินก็เหมือนกันก็ใส่ใจในการรู้ตัวในการเดินใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปในสิ่งที่เราทําในกิจวัตรนั้นหละ น่คือทำให้มากมากเพราะ๋ยมจะเห็นเลยว่าโอกาสในการปฏิบัติทำในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะแต่เด่นว่าเราทิ้งกว้างเลเองเ ร, เราคิ้งเราทิ้งกว้างมันหายใจฟรีๆเคลื่อนไหวฟีๆกินข้าวฟีๆเดินฟีๆเยอะมากเราก็แต่เราสืนกนะอาจจะไม่ได้ร้อยเปรเ็นเธอ ค่อยๆให้มันเพิ่มขึ้นจากที่ลงไปฟีศูนย์ไปเลยไม่รู้ตัวรู้ตัวผิดที่ผิเปอร์เซ็นตอะไรกลับมาก็ยังดีพอทำบไไ่อยๆสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตมันก็เริ่มได้ละพอรู้ตัวที่กายได้ต่ไปจะเห็นใจที่มันเผยออกไปใจที่เผยไปคิดบ่อยๆแล้วก็ที่จริงถ้าเราเริ่มติดใจใ น, นะจใน่างรางานะติดใจหมายงว่าเริ่ม อะไรนะเรื่องมีฉันทะมันจะรู้จักปิดทีวีได้บ่อยขึ้นเยอะปิดตัวสับได้บ่อยขึ้นนะแต่ถ้าจําเป็นนะบางทีอยู่กับเพื่อนสูงอยู่กับครอบครัวมันก็ดูไปกับเขาว่าแหละแต่เดียงว่าใจเราไม่ได้ไปไปสนใจมากเหมือนเดิมคือดูทีวีกับกับรูปสมมุตินะดูอยู่กับรูปก่ะแล้วก็ดูบนรูปแต่เราก็กลับมาดูตัวเอง ไม่ได้สนใจแต่ละครแต่เราสนใจอาจจะสนใจตัวเองสนใจของรู้สึกของเราที่มีรู้ความรู้สึกอย่างไรนะมันจะอยู่ได้กับแม้แต่คนอื่นที่เขาอาจจะทําเรื่องที่เราไม่ชอบหรือเราไม่ได้สนใจแต่เราก็เจะอยู่กับตัวเองได้ไม่ต้องไปห้าคนอื่นนะแต่บางทีถ้ามันไม่จําเป็นเราอยู่คนเดียวเรากไ็ไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปปัมไม่ต้องไปหาเรื่องทําให้มันเสียสมาธิ Hmm. แต่ถ้ามีเวลาก็ว่างนิดนึงเดียวก็ทําบ้างนะหมายถึงว่าแค่พลิกมือก็ได้อยู่กับอยู่บนมือโยอนนะไม่ต้องโยนมือติดตีถ้าพลิกมือก็ได้นะแค่นะ้นพกมือขึ้นมือหมุนนิ้วเล่นๆกระดิกอะไรนิดหน่อยน่ะ คือเรียกว่าเป็นการเรียกสธิให้กับตัเองทำได้หมดเลเราจะต้่นต้อนเนี่ยคืเวลาภาวนาจะไม่ปล่อยเวลาให้ทิ้งข้างให้เสียเวลาเป็นตัา ในวัน ใจใจดีดีโตขึ้นตัางน้ำตั้งวันตั้ืนตั้เดือน หมดหมดเลยวลาดเูู่้ดิรนัยนไปตดาษ่ลยนะเป็นห้างเลยนะไปไจะจบเลยเลยวะาจะไปก็จะซื้ออะไรจะจบส่กาษมนจ่ไปซื้อแบบตัจะไม่เดินคนคนที่เขาไปเดินห้างเดนตลาดมันพู่ะรแบบสำคัคัสำคัญครับ ตอนที <stairs> <c uk> ains, pues ่เห็นเขาเดินทานั้นทอนี่จิตเราวุ่นวายกับเขามมีความรู้สึกวาเลยนากคาคิดของเราแบบวหมาเลยคนเดจลยเนแยแล้วเคกแบบอยู่อยู่คนเดียวแล้วก็วุ่นวายกับตัวตัวเองไหมอ ว yes, ันนี uh ้ต้องทำอะไรเป็นสองสามเยนะคะองแอบคิดเกิดเป็นสองสามต้องทำให้เสร็จแล้วตอนรุ่นลายีตรงไหนอยู่ที่ใจคนจะเดินผ่านเราต้องไหวกับเขาเราไปตลาดเราต้องไหวกับเขาเราอยู่คนเดียวเราต้องไหวกับตัวเองอะไรคืออะไรคือความรุ่นไหวก็คือก็คือใจอะไรเนาะ แต่เราที่มันไม่พอใจหรือไม่ชอบหรือใจเราไปคิดมันคิดนี่อันนี้คือเนะี่ยเป็นการแบบนีเราก็ไม่ใช่ว่าห้ามปล่อยรื่นวายนะสิแต่ว่าเรากลับมากลับมาอยู่กับความสงบชั่วขณะมา จ, จะคิดไปอีกเราห้ามไม่ได้เราก็แค่กลับมาใหม่เราจะกลับมาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเพื่อให้คิดมันสง บ, บหรือมันไม่รุ่นวายไม่ฟุ้งซ่าน แต่เป็นว่าเรากลับมาหาความปกติคำว่าปกติเนี่ยนะในจิตวิทําทธรรมสำคัญที่สุดเลยแต่ก่อนเามาก็ไม่เข้าใจนะว่ามีหนังสือหว่าเทียนนะที่ว่าปกติหรือครูบาอาจารย์พูดถึงความเป็นปกติเยอะมากเขาบอกปกตนะิเรารู้สึกเหมือนมันมันเฉยหือว่ามันมั น, ม, นมันไม่รู้สึกว่ามันแปลกเลยเลยเราสื่อว่ปฏิบัติธรรมมันต้อง มาสัจจันต้องต้องลึกลับหัวต้องเป็นอะไรที่มันเรียกว่าเหนือธรรมดาแต่ยิ่งันภา น, า, นาจริงนะที่จริงธรรมะมันอยู่ที่ความเป็นปกติไม่ใช่อยู่ที่ความรธรรมดาไม่ใช่อยู่ที่ความวิเศษอันนี้บอสื่อออกมานะค่อยมาสมัมผัสว่าที่จริงธรรมะคือตะเคารพแค่ปกติกลับมาหาความเป็นปกติ บ่อยๆอาจจะไม่ใช่ตลอดแต่ถึงเมื่อเราที่เราเกิดไปคิดเรากลับมาหาเป็นความใ น, น, นปกติก็คือการรู้กายการรู้ใจใจปกติใจปกติก็คือใจที่มีฟุ้งใจที่ไม่คูนแต่งคือ น, นิพพานนิพพานไม่ได้มีอะไรมากกว่ากันแค่อยู่กับความเป็นปกติหลวงพเทียนก็เลยช่วปกติเป็นประจำดังนั้ น, น, นจิตที่วุ่นวายก็คือจิตที่เรา ไหลออกไปไหลไปคิดเองบ้างไหลไปไม่พอใจคนอื่นบ้างเนี่ยคือตเมื่อวัยมันเกิดกที่เราออกหยัดฐานตอนปกติของตัวเองออกไปที่จริงมันออกไปตารรมฐานคือกลับมาแค่หน้าหลกออกไปอีก ก, ก็กลับมากลับมาหาถานกนละับมาห า, าแล้วก็ที่จริงปกติก็ไม่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องปก ค, อคอรองนะการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เป็นการปก ค, อคอรองหรือเป็นการนับาษาแต่จริงๆแค่เป็นการกบเหมือนมาจะบอกอไอาเจี๊ยรู้สึกให้รู้สึกตัวดูแล้วกจบแล้วก็วาง่นะเหมือนรู้จบรู้จบรู้จบเหมือนเป็นปกติที่รักษณาความต่อเ น, นื่องคือตัวนี้นะ ไม่ใช่ต่อเบบยาวแต่คือนะรู้รู้รู้มันปกติบ่อยๆปกติทีละขนาดจิตนะทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งนีมันก็คือเรียกว่าความต่อเนื่องนะตอนไห น, นะหนที่ลืงไปบ้างก็ช่างมันแต่เราไม่ลืมว่าคือที่ดึงไปแล้วนะ่ะชั่งมันนะ แต่สิ่งที่สติทําให้เราไม่ลืมอะไรเราสามารถกลับมาเป็นปกติได้ปัญญาเรนนั้นกลับเราสามารถกลับมาหาความเป็นปกติจากกายจากใจนี้ได้นะเราก็จะเห็นว่าที่จริงความไม่ทุกข์ก็อยู่ในความทุกข์ความไม่หลงก็อยู่ในความหลงความเป็นปกติก็อยู่ในความผิดปกติไปนั่นแหละ เมื่อเรารู้เรจะเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นเพียงแค่พิชนิดเดียวแค่พิชมืงนะก็กลับมาปกติแล้วมันจะง่ายที่สุดเลยมันจะง่ายไม่ต้องไปทําอะไรหรือมากกว่านั้นแต่มันก็บังคับไม่ได้ไปอีกกลับมาใหม่ไปอีกก็กลับมาใหม่มันก็เลยแต่ว่าถ้าคิดมากมันก็ยากถ้าอยากมากคืออยากให้มันเป็นแบบนี้ตลอด มันก็ยากแต่ถ้าไม่คิดมากไม่อยากมากก็คแค่ทํามากๆทํามากๆแลนะ้วถึงทำความเป็นกกปนกติได้มากๆมันกะ็จนะสัมผัสความเป็นปกติได้มากขึ้นมากขึ้นนะเดินไม่เป็นไรนะรุ่นบายก็คือใจเร า, าหลอมออกไปนะให้ใจเรากลับมาอยู่กับสิ่งที่เรากั้งใจทำเดินก็ตามมาอยู่กัการเดิน กินก็จะแบบดูแบบการกินเรื่องสติจะเอินกลับมาก็จะเห็นนัดใจเลียวก็ออกไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ออกก็กลับมาด้วยอาจารย์หมดเสื้อนะเสื้อผมผินอกนะแล้วก็ตุ่มเกิดแล้วก็สอนดีแล้วเนี่ยที่คาเสื่อบะนีขึ้นจะมีผูุมเราปกปิดซึงเป็นผิวอกนะคะ